รวมสิกขาบทที่มีในสังคาทิเศษกัน 1. สุกกวิสัธิสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน 2. กายะสังสักขะสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม 3. ทุตุลละวาจาสิกขาบทว่าด้วยการพูดเกี้ยวมาตุคาม สี่อตตกามะปาริจัริยะสิกขาบทว่าด้วยการให้บำเรอความใคร้ของตน 5. สัญจาริตะสิกขาบทว่าด้วยการชักสื่อ 6. กุติการะสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุฏิ 7. วิหารการะสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างวิหาร 8. ปัมทุทธะโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเครืองมีโทสะสิกขาบทที่หนึ่งเทุติยทุตถะโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเครืองมีโทสะสิกขาบทที่สองสิสังฆเพทะสิกขาบทว่าด้วยการทําสงฆ์ให้แตกกัน 11. สังฆเพทานุวัตกะสิกขาบท ว่าด้วยภิกษุประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ 12. ทุพเจะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก 13. กุลทูสกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล